ชีวิตมีสิทธิในการทำทุกให้สิ้นได้เท่าเท่ากันหลวงพ่อชาสุภัทโททุกชีวิตมีสิทธิที่จะแสวงหา สิ่งที่พ้นทุกข์ได้เหมือนกันหมดในบางสถานการณ์ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันก็ช่วยบีบคั้นให้เราเนี่ยต้องดิ้นรนสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ดีกว่าในภาวะที่เรากําลังมีกําลังเป็นอาจจะเป็นสถานการณ์รอบตัวเรา ที่มันเกิดปัญหาที่เราได้ยินได้ฟังอยู่หรือเหตุการณ์ต่างๆปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าลงไปที่กายที่ใจของเราเก็คือความทุกข์สิ่งเหล่านี้นะผมว่าเขาเปิดโอกาสนะเปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาตัวเองได้เข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตถ้าเราไม่มีปัญหาต่างๆมารุมเร้าเลยนะไม่มีโอกาสได้ไปเชิญหน้า กับความทุกข์แสนสาหัสเราก็จะไม่รู้จักตัวเราไม่เข้าใจโลกแล้วก็ชีวิตตามที่มันเป็นจริงผมว่าความทุกนี่แหละเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเราเองนี่ไม่ต้องการความทุกไม่อยากเป็นทุกเอ็งอะไรก็ตามทุกนี่แหละเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์กับเราเพราะว่าบอกอะไรเราได้ตรงไปตรงมา ไม่เหมือนความสุขนะความสุขเนี่ยบางทีทําให้เราหลงเพลิดเพลินไปลืมเนื้อลืมตัวไปกับความสุขแล้วผลออมาเนี่ยความสุขอาจจะตลบหลังเราก็ได้ทําให้เราเป็นทุกข์โดยที่ไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวเลยเริ่มต้นเนี่ยทำให้เราหลง แ, ลแต่ความทุกข์เนี่ยพอเริ่มต้นเราไม่อยากได้แล้ะเริ่มเห็นทุกข์เห็นโทษของความทุกข์ที่เกิดขึ้นีนตัวเรา พยายามจะถอยหา่างทุกตอนแรกต่อไปมันก็จะคลายไปเองนี่ต้องขอบคุณกขานะสถานการณ์ต่างๆบางทีผมคิดว่าความทุกข์นี้มาเตือนเราเขามาบอกเราว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตมาเตือนเราว่าเราต้องรีบแก้ปัญหารีบปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้หาที่พึ่งทางด้านจิตใจทุกทำให้เกิดศรัทธา ที่จะมาสนใจศาสนาอันเหชีวิตเข้ามาสนใจธรรมะเพื่อการแก้ปัญหาชีวิตอันนี้แหละคือส่วนหนึ่งของประโยชน์ของความทุกข์แต่ว่าการเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเราอาจจะฟังอาจจะถามคาถามมากมายแล้วก็ใช้ความคิดเข้ามาร่วมด้วยไอ้สิ่งนี้ก็ดีนะช่วยเราได้ในแง่การ เป็นแนวทางเป็นการชี้บอกทางเราก็ศึกษาได้ทำความเข้าใจได้ก็เป็นประโยชน์แต่สิ่งเหล่านี้ดับทุกข์ให้กับเราได้ไม่ตลอดดับทุกข์ได้ชั่วคราวในแง่ของความคิดนึกยังดับทุกข์ได้ไม่สิ้นเชิงหรือเราอาจจะฝึกให้ทานรักษาศีลทำสมาธิสวดมนต์ทำวัดหรือ ฝึแผ่เมตตาอันนี้ก็เป็นประโยชน์ควรจะทําแต่ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยยังดับทุกข์เราได้ไม่ตลอดนะดับทุกข์ได้ชั่วคราวเปรตเสมือนเป็นยาทาทําได้ชั่วคราวยังไม่ตัดรากถอนโคนของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันที่จริงแล้วเนี่ยการให้ทานการรักษาศีลการทําสมาธิทําบัดสวดมนต์แผ่เมตตาอันนี้เขามีมาก่อนพุทธศาสนานะ แต่ว่ายังแก้ปัญหาได้ไม่สิ้นเชิงจึงต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาซึ่งมีมาที่หลังเพื่อการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงการทำสมาธิก็ทำให้สงบแต่ยังไม่รู้แจ้งแต่ว่าสมาธินี่เป็นส่วนหนึ่งนะของการที่จะรู้แจ้งได้แต่ยังไม่เพียงพอทานศีลสมาธิยังไม่เพียงพอจะต้องมีการ ภาวนาเขาเรียวิปัสนาภาวนาสมาธิภาวนาก็ช่วยได้แต่ว่ายังไม่เท่ากับวิปัสนาภาวนาวิปัสนาภาวนานี่ยทำให้เรารู้แจ้งตามความเป็นจริงของโลกแล้วก็ชีวิตเราต้องมาทําในส่วนนี้ให้มากๆวิปัสนาเนี่ยทำให้เราเกิดปัญญาในวิปัสนานั้นก็มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา รวมตัวกันก็ดับทุกได้แต่จะเข้าถึงวิปัสนาได้นั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการจะลิลนสติปฐาน4นอยู่ในตัวเรานี่แหละคือมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมสรุปแล้วคือกายกับจิตในตัวเราเมีสติละ ร, รู้ลงไปที่กายที่จิตที่มีในตัวเราเนี่ยในปัจจุบันขณะอาศัยความเพียรเพียรที่จะรู้สึกตัว อยู่ที่ตัวเราพอทําไปต่อเนื่องกันานานๆมันก็เกิดผลเกิดวิปัสสนาญาณรู้แจ้งในสิ่งต่างๆอย่างเช่นรู้รูปรู้น้ำเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของรูปของนามจนกรทั้งเบื่อหน่ายคลายกําหนัดถอนความยึดมั่นถือมั่นในรูปน้ำขันหน้าเสเป็นการปล่อยวาง ก็ เ, เกิดมรรคผลนิพพานตามลำดังเนสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มต้นจากการพุกเิรลิญสตินั่นเองจึงระดับทุกได้สิ้นเชิงแต่ ว, ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติอุปสรรคทังด้านร่างกายก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยไข่เจ็บเบียดเบียนความไม่ปกติของร่างกายเนี่ยเร่าทุกขเวทนา ผูท้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคมากๆทําให้เราเกิดความท้อแท้หมดกําลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปแต่ว่าคนที่ปฏิบัติช า, านาญแล้วเนี่ยทุกทางกายเนี่ยไม่มีปัญหาถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติได้ทตามไปช่วยทําให้เรารู้ทําได้ด้วยช่วยทาให้เราพ้นทุกได้คือทุกทางกายส่วนอุปสรรคทางด้านจิตใจนั้นอันนี้ถือว่าอุปสรรคใหญ่เลยก็คือตัวกิเลสนั่นเอง ความโลภ ค, ความโกรธความหลงความคิดความง่วงความขี้เกียจความ ท, อท้อแท้หมด ก, กำลังใจซึ่งเหล่านี้แหละถือว่าเป็นอุปสรรคต้านจิตใจทั้งผู้ใหม่ผู้เก่าเนี่ยมีเหมือนๆกันแต่ว่าผู้เก่าๆแล้วปฏิบัตินานๆแล้วอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากโดยเฉพาะความขี้เกียจเนี่ยไม่มีใครอยากได้นะแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนดีแสนดีนะ ทำอะไรก็ต้องมีแต่ความขี้เกียจขี้คลานไม่อยากทำสิ่งนี้สอีกนี้อันนี้เป็นเพื่อนจิตใจนดีนะไม่ถึงว่าเขาอยู่กับตัวเราตลอดแต่ว่าถ้าเรารู้จักตัวนี้แล้วก็เราจะไม่ยึดติดเขาไม่ทําตามเขาก็ได้แต่ทาความรู้จักกับเขาอันนี้คือปัญหาเรื่องจิตใจแต่อุปสรรคใหญ่ที่สุดของนักปฏิบัตินั้นก็คือความท้อแท้หมดกําลังใจพอเริ่มปฏิบัติไปเนี่ยเอาละเจอความทุกข์ทางร่างกาย ถ้เาเกิดความท้อแท้นะหมด ก, กําลังใจเราคงปฏิบัติไม่ได้หรอกเราคงไม่มีบุญวาสนาบารมีมันก็จะมีข้ออ้างของกิเลสนะนะยังไม่ได้อดทนเลยเราคงทําไม่ได้กิเลสเขาคิดแล้วเราก็เชื่อแล้วก็ท้อแท้หมด ก, กำลังใจก็ขี้เกียจก็ไม่ได้ทําต่อไปมันก็ไม่ก้าหนาหรืออาจจะเกิดจากความคิดมากๆปฏิบัติไปแล้วออมันคิดมากมันมีแต่ความฟุ้งซ่านทําให้คิดมันก็ง่วง ท้อแท้หมดกำลังใจในความคิดในความง่วงจิตไม่สงบเลยไม่อยากปฏิบัติต่อล้การปฏิบัติก็เลยไม่ก้าวหน้าจึงคิดว่าอุปสรรคใหญ่ของนักปฏิบัติคือความท้อแท้หมดกาลังใจแล้วก็พาได้ขี้เกียจขี้เกียจปฏิบัติทำขี้เกียจทํางานขี้เกียจทําทุกอย่างระวังให้ดีนะจะขี้เกียจหายใจเริ่มต้นจากความขี้เกียจที่จริงเราไม่อยากขี้เกียจแต่กิเลสเขาขี้เกียจแต่เราขาดสติ ไปเชื่อความขีดเกยียดแล้วก็ทําตามความคีดเกลียดคนที่ขีดเกยียดเนี่ยชีวิตจะไม่ก้าวหน้าเพราะหะไรเพราะไม่ขยันถ้าขีดเกยียจแล้วต้องไม่ขยันมันเป็นทำที่ตรงข้ามกันเมื่อขีดเกยียดมันก็ขาดสติก็ทําตามกิเลสร็จ แ, แล้วก็เลยกลายเป็นปลาที่ลอยตามน้ำไปไม่ได้ประโยชน์ไม่ยอนตัวน้ําแม้ว่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยนักปฏิบัติสามารถฝ่าฟันได้โดยการ ให้กำลังใจตัวเองบางทีเราต้องหากำลังใจจากตัวเองนะสร้างศรัทธากับตัวเองศรัทธาเนี่ยถืว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังภายในของเราด้วยสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเราต้องทําได้เราทําได้เรายังมีกายมีจิตเราต้องทําได้ในการปฏิบัติธรรมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองปลูกศรัทธาปลูกตัวเองให้ตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมในการทําหน้าที่ มันจะเป็นกําลังภายในนะแล้วเราก็จะขยันไปเองอุปสรรคต่างตางที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องพยายามที่จะฝ่ า, ฝาฟันด้วยตัวเราเองแก้อุปสรรคด้วยตัวเราเองอย่าหวังพึ่งใครในการทํางานทําหน้าที่ต่างๆในการปฏิบัติธรรมจะต้องพึ่งตัวเองก่อนอย่าหวังไปพึ่งใครช่วยตัวเองให้มากถ้าเราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มเกิดปัญญาเกิดความรู้ใหม่ๆ ไม่อย่างการที่เราขับรถแล้วหลงทางเนี่ยนะเร า, าไปเจอทางใหม่เจอเป็นทางที่ดีตัวด้วยนะไม่แน่นะเนี่ยเพาให้เราเกิดปัญญาเกิดความรู้มากมายเกิดประสบการณ์จากสิ่งที่เราได้ฝ่าฟันเราก็จะมีความสุขความสุขเกิดจากทําสิ่งที่ยากได้สําเร็จความสุขเกิดจากการเอาชนะความขี้เกียจมันภูมิใจในความสามารถของเราความสุขเกิดจากการเอาชนะความฟุ้งซ่านได้จิตมันสงบเอาชนะความง่วงได้ มันก็เป็นความสุขอาชนาะความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายใจดันมันก็มีความสุขและเป็นความสุขที่ชอบทำนั่นเลเป็นปีติสุขสุขทางธรรมเนี่ยเป็นอาหารใจใจก็จะสงบแล้วก็จะเป็นปกติมากยิ่งขึ้นจะสะดวกสบายในการปฏิบททัติธรรมในการทําหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจเพราะเกิดความสุขในการทํำงานเกิดความขยันคนที่ไม่มีความสุขกับการทํางานมีแต่ขี้เกียจ แต่ถ้าหาความสุขจากการทำงานแล้วก็เดี๋ยวจะมีความขยันเพราะเกิดความขยันในการสร้างสติสติมันก็เกิดขึ้นมากๆลงทุนด้วยการขยันเ่าเองขยันเจริญสติขยันทําหน้าที่มันก็เกิดสติพอเกิดสติแล้วมันก็ขยันมันของคู่กันสมดังที่พระองค์ทราตรัสไว้ว่าคนมีสติย่อมขยัน